นับว่าพวกเข้าโชคดีเนอลูกหลานทุกขูทุกคนเย็นดีในการบวชในข้าวนี่เข้าบวชในข้าวนี่มีความหมายอย่างสูงส่งสุดเข้าบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงอายุแปดสิบสาพันษาประชนพรรษาแปดสิบสามมีการบวชทุกปีที่พันพานมาปีนี้พวกเขากลุ่มนึงแ่ละเข้าเกิดมาในประเทศไทย เกิดมาไตพระบรมโพธิสมภันต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชนินีพระบรมวงศานุวงศ์พวกเฮ้าก็ได้เสียสละเวลาช่วงหนึ่งอย่างผู้ที่อายุหกสเก้าปีนี่ก็เฮ้าผ่านมา ถ, ถึงหกสิบเก้าปีบาทเฮ้าเสียสละเวลาหนึ่งเดือนฮได้หกสบเก้าปีนั้นการบวชให้ตังอกตังใจในการบวชจริงจังและจริงใจอย่าไปบวช เพื่อเล่นล้อเล่แหละให้ปฏิบัติตามถาม้มคําสอนจริงจังเมื่อห้องบวชแล้วก็ให้เป็นศักยบุตรพุทธชินนรสกอให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงให้อยู่ในหลักประทรมวินยัยอย่าไปซักแต่ว่าบวชการบวชด้วยความจําเป็นวบวชด้วยความจํนนาใจบวชด้วยความาบังคับการผมมีศรัทธาถึงจะบังคับก็เถอะ เขาบังคับให้เข้าเป็นคนดีคือกันครับเขาบังคับให้เข้าเฮียนหนังสือจังสันแหละในเมื่อเข้าว่าอยากเฮียนหนังสือเขาบังคับเข้าสิไปผูกอาคาดพยาบาทเพิ่นผูบังคับให้เข้าเฮียนหนังสือบังอาคาดพ่อแมว่าให้ผมเฮียนหนังสือะเออจังสันมันแมนบอกมันกระบอแมนผูที่เพิ่นบังคับเพิ่นเห็นคุณประโยชน์แล้ว เพิ่งยังบอกให้เขาเฮี้ยนหนังสือบังคับอเอาเฮี้ยนหนังสือเมื่อเขาเฮี้ยนไปแล้วห่ากระูกผลบ่นโอ้ทางปพอแม่บ่บังคับเขาให้เข้าเฮียนหนังสือนี่ยเข้าสิงโง่ขนาดใหนห่อไปใสคือเหมือนกับคนตาบอดตาดียกกับคนตาบอดคือการเข้าไปต่างประเทศอ่านภาษาอังกฤษออกซะน่ะคันฟ่าเข้าเฮี้ย น, นภาษาอังกฤษออกเข้าก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษวันนี้ช่างวันนี้ไปไใส่เมืองยัง มีจุดประสงค์ อ, อยียงอันนี้พวกเข้าไปจะอ่านออกพราเหตุใดเพราะเข้าไริเรียนภาษาไทยเข้าคือการเข้าบริเรียนเขาบอกไปใช้เข้ากับโอหุจักอีกอันน้ำมงพิษนะอันตรายนะเข้าก็บโอหุจักอีกเพรยและเพราะเข้าบริเลียนหนังสือกานไห้เข้าบริเลียนหนังสือแล้วเนี่ยเข้าก็บโอหุจักอันนันตีอันทันชั่วอันนันขวรบอกขวนการโบวในเข้านี่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ อถึงผู้พนสิชขอร้องเรือให้เข้าบวชเรือเข้าสมัครใจบวชพอบวชเขามาเข้ากับศึกษาอะไรตันีหเดือนเดียวนะเขาเหตุอย่างอื่นเขายังเหตุมากพอแห้งเลยเหตุไทยเหตุหน้าเห็ุหัวเหตุสวนเข้ารำทำราชการงานเมืองทุกอย่างเข้าก็ทํามากแต่ประเด็เพื่อให้บวชเข้ากับศึกษาในเรื่องพิธีการให้บวชเป็นอย่างข้นโบลับโบร้านบัณฑ์พ่อปุรุษของชาติไทยเข้าตั้งแต่พอ ขุนศรีอินทราชทิดพอกุลล่ามคำแหงกุงศรีอายุทยากงรัตนโกศิน์เพิ่นกระบวดกันมาเป็นพระสงฆ์เพิ่นกระญญกเชิดชูบูชาว่าคือพระในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ส่งศินเป็นผู้มีสินมีผูมีศีลธรรมเป็นทีย่อมรับของคนในยุคนั่นมาในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันพระสงฆ์กู คูบาอาจารย์ผูยู่ในศีลในถ้ำผูยู่ในรักถ้ำพี่หน่อยพี่น่องไปใชาชุาชนชัดท่าญาติโน้มทั้งกราบทั้งไหวให้พวกเข้าไปเห็นย่างวัดหลวงตามหาบวชเมื่อหนีหลวงพอ่อไปวัดเพิินไปเยี่ยมอาการป่วยของหลวงตาไปเหตุพีน่น่องประชาชนมาทําบุนทําท่านตักบาตรมาด้วยความปีติยินดีมาด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใส ทั้งยกมือทั้งกราบทั้งไหวก่อนที่จะถวายจะตุปใจัยถวายอาหารบิณฑบาตให้พระสงฆ์เป็นอย่างเพราะวา่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเข้าเป็นคารวาตัตหยาิโน้มเหตุบุหรี่จังเพิ่นเพลินนี่ยเป็นอยู่ในศีลในถรำเป็นศาสกยบุตรนี่แหะเขากราบไหวเพราะเหตุใดเพราะพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หาว่าพระสงฆ์บอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คือกันกับคนบอดีอยังจันแหละระบบเป็นทีย่อมรับของขู่ขนทั้งหลายการว่าคนดีไปใสก็เป็นทีย่อมรับพูดดีคิดดีทดําดีพูดดีเป็นทีย่อมรับคิดก็คือคิดเรื่องสินเรื่องถ้ำบอคิดเบียดเบียนตนและผู้เอิญถ้ำอย่งก็ตามทําลงไปเพื่อบอเบียดเบียนตนและผู้เอ่ญพูดอย่างออกไปก็ปริพูดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้เอิญ เคศเป็นถ้ำถ้ำเป็นถ้ำพูดเป็นถ้ำก็เป็นทีย่อมหลับของก้นทั้งหลายแต่พระสงนี่นอกเหนือกว่านั้นอีกเพิ่นถ้ำจิตถ้ำใจของเพิ่นให้เป็นสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดปิมุตติญา ณ, ณัศนาขึ้จิตใจลุดผลจากอาสวะกิเลสชาตินี่เป็นชาติทุดท่ายสี่พ่อบ้างเวียนไหวาตายเกิดอีกแล้วผลว่าอันนี้ก็คือจุดมุ่งหวังจุดมุ่งหมาย ของลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ลหละคือพวกเข้าเดีเข้ามาบวชในข้าวนี้ถึงจะบวถึงจุดสูงสุดแต่ก็เเฮ้า็มาเขาเส่นทางของพระพุทธศาสนาขามาเส่นทางท้ำคํำสอนของพระพุทธทเจ้าขอให้พวกเข้าทุกขู่ทุกคนเน้อลูกหลานทุกคนนะ่ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติตัวเองให้ตั้งใจขอคูบาในวัดหลวงพ่อก็เตียมไว้แล้ว ให้พวกเขาฝึกซสอมหนกักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนี่แหละที่ท่องอยากท่องหนักหรืท่ทองอยากแน่แต่ว่าถึงจังไรก็ตามกานาว่ามีความพยายามมีความตั้งใจจริงกคงว่มีปัญหาแต่ทางว่าพวกเข้าตั้งใจจริงกุปช่าก็ที่ตำหน้เข้าเด้เข้าสิ บ, บวดพวได้ไดเนีพยผัวศาสนาบมเป็นศาสนาของหลวงพอ่อบมเป็นศาสนาขององค์ใดองค์หนึ่งบมเป็นศาสนาพระอุปชาช ว่แ ม, มนศาสนาของอาจารย์เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ที่ถูกกฎระเบียบตามทํานองข้องถ้ำตามตามรักถ้ำข้ามสอนตามรักพระวินัยตามกฎเกณฑ์จึงที่จึงได้เป็นจังที่จึงบวชได้คือการกับผู้ที่จะเป็นครูร่โรงเรียนเป็นคู่โรงเรียน สอบอยังไงสอบทูมอนย์สอบปริ ญ, ญัตตรีได้ค่อยสอบสมัครคู่ได้พ<ม>อซีได้สอบได้บ่บ่ได้แล้วก็เหตุใดเพราะเจ้าบ่ได้ปริญญาตรีได้อันนี้คือกันอผมบดยังบดบ่ได้เอาเจ้าทองเอสหาหังบ่ได้เด้เจ้าสีบวดได้จังไรอันนี้แหละให้พวกเข้าทองให้มันได้ขั้นทองได้แล้วบ่ ถูกอัคคะแล้วได้แล้วนะเข้าก็บวชได้แล้วก็การบวชในครั้งนี้เข้านี่ทั้งท่านพิพากษาหัวนาสารทั้งจังหวัดอุดอรของเข้ารวบร่วมกันบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงของเขามีพระชนมายุ่8ดสาพระพรรษาควรจะมีความหมายในการบวช หลวงพ่อเองเป็นยังยั่ยมมาบวชไกป่ปานี่หลวงพ่อเป็นผู้รับผ้าระในการจัดอัทบริขารเครื่องใส่ของผาไม่หนากไม่ที่จะบวชหลวงพ่อก็ได้เตรียมบริขารพรแล้วที่จะบวชพวกเข้าเนี่ยหลวงพ่อเตรียมพร้อมแล้วก็พวกหนากทั้งหลายเมื่อเขามาหลวงพ่อก็จะเตรียมฟึกหัดสอบหนาก เอสาหางปันเต๋ให้ถูกต้องตามอักษรจากนั้นขวัญที่สองท่านว่าพวกเขาก็จะเดินนั่ไปบวชท่านหัวนาศารผูกเกี่ยวของทั้งจังหวัดกระชินนั่มพวกเข้าไปบวช ด, ดูวัดโพี่สมพรเจังหวัดอุดรท่านี้เออมื่อวันที่สองเมื่อบวชแล้วก็คงจะกลับมาวัดจารกอบอกให้จังใดก็ชุดแท้แต่มติใินที่ไปชุ่มจะพูดคุยกัน จากนั้นก็พวกเข้าสิสมักใจไปวัดใดท่านอที่ผู้ที่จัดการอุปสมบทเนี่ยคนก็บเบรงวัดไปแล้วสิให้ไปโยูวัดไดเมื่อบวชเข้ามาแล้วอย่างนั้นก็ส่งไปตามวัดอตามที่พวกเขานา่ากพระไม่ต้องการจะไปโยจะไปโยวัดไดเพื่นกิดสิส่งไปหรือบอกสิโยวัดนี้ก็โยวัดนี้ต่อไปนี่แหละก็คือการ จะบวชวันที่สองอมีความหมายอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้นากทางหลายที่มันนางฟังอยู่นี่แหละคือมีความหมายกึ่งบวชเพื่ออุทิศหรือบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอันเนืงนและก็เพื่อศึกษาในลักธพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าเห็นตะกู้บาจาย์พระทุโถงกรรมฐานหลวงปูเ่เสาหลวงปู่หมันหลวงปู่ต่างๆที่เฮ้า ได้ยินได้ศึกษาเนี่ยเขามาบวชเนี่เพิ่นเหตุจังไดเพิ่นฝึกซ้อมจังใดเพิ่นฝึกหัดจังไดเพิ่นปฏิบัติตนจังใดอันนี้พวกเข้าก่อเป็นคารวะนาติโยมมิตรคิดมิตรนึกตะเดาแต่บัตหนี้พวกเข้าไนี่เขามาบวชเลยเด้มาบวชเนี่ยจุดใไ่ใจความที่สุดหลักของพุทธศาสนาในการมาหยุบวชอยู่ในป่าเนี่ยเพิ่นเห็หเมหหตตนน ว, ว่าเบิ่งใจเจ้าของเลยใจเจ้าของนี่คืออย่างคือความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละตัวนั่นละ่ะแต่มู้ มันบอกว่าถ้ำมาดาขึ้กันหลวงพ่อว่ายน้อมรับขึ้นกันอคือหลักตัวนี้ตัวนี้จะว่าน้ำ ม, มาถ้ำขึ้นจิตใจจิตใจไผมาเบิ้งใจคือตัวผู้รู้คือน้ำ ม, มาถ้ำเนียพราะพระเจ้าพ่อบอกว่าตัวนี่แหละสําคัญที่สุดตัวนึกคิดเนี่ยปันเป็นหัวหนามูเนี่ยร่างกายของเขานี่มีอยู่สองเนี่ยกายกับใจใจคืออย่างก็คือตัวน้ำ ม, มาถรม กายก็คือขึ้น อ, อย่างคือรูปปรัรม์รูปปรัรมคือร่างกายนมามธรรมคือคจิตใจอาศัยกันอยู่แต่พระพุทธเจ้าเพ้นไปค้นคว้าศึกษาในหลักธรรมข้ามสอนพ้นให้มาเบิ่งใจให้ศึกษาเรื่องของใจปัญญาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหนาสําสเร็จแล้วโวยใจให้เบิ่งเนื้อข้ามาบวชลนะ่ะให้เบิ่งใจเจ้าของคน้นโบราณพ้นยังบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระว่างความคิด โยกับมิตรกับเพื่อนกับผงให้ระว่างว่าจา๋าพ่อเหตุใดพวกข้าจูหูเองบ่เนี้ยเมื่อเข้ามาบวชให้ระว่างความคิดเนียพ่อเขามา่านะโว่บ่แมนธรรมดาทั้งกิดทั้งปุง๋งทั้งผงทั้งสานแน่ ว, ว่าเคยอยากไปมันอยากไปมัอมันปุง๋งมันฝุ่งออกไปข้างนอกเอแนวดิบแนวดีทั้งมัดมันมาหลอกเจ้าของในการเป็นอยู่นี่แหละคนว่าขั้นหางว่าบระว่างความคิดเนี่ย เสียขู่เสียคนว่าเว่วาเวออ่างว่างเงียบเหงาเสาซึมได้ง่ายๆพราะเหุ้ใดเพราะเฮ้าบ่อนะว่างความคิดพอนั้นเวลามันเกิดคิดโห้ขาพานมับพ่อแห้งปนั้นลเล่าผ่านมัพพานมาบพ่อแห้งปนันละ่ะมันจะมีเป็นสวรรค์นิพพานได้ยังไงมันคือเก่านั่นแหละมันหาหลอกกิเลสเนะี่ยวนน่ะคานว่าเฮ้าหูท่านมั่นบานีมันก็หายไปอย่างพระพุทธเจ้า เพินเ่นคลื่อนมือเพื่อเพิ่นในตัศรูนก้อนหนาแน่นก็คงจะนั่งตันหาราคาอารดีี่คงจะมาเล่นงานเพิ่นพอแหงขึ้นกันเพิ่นเบาๆทำไปแต่มือสุดท้ายนี่นั่งตันหาราคาอารดีมาเล่นงานเอามาจั่วย้อนมาอย่ย า, ายงกระพุทธเจ้าพรพุทธเจ้าเป็นตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพระเจ้าจะบววันไหวไกวแหวงเด็ดขาดเนี่ยาพระเจ้าจะสูสเด็ดขาด ข้าพเจ้าจะบวถอยหลังเด็ดขาดนี่แหละอันนี้คือพระบารมีคือว่าสัจยะสัจยะคือความจริงจังและจริงใจของพระพุทธเจ้าเพิลนก็เลยผ่านไปได้อันนี้คือกัน่ะขันพวงเข้เของมาบวชข้าพเจ้าจีบวชเพียงเดือนเดียวะกิเลสความอยากได้ความหิวได้ความกระหายได้ความอยากสนุกสนานเปิดเพลินเฮ่ห้าได้มาลุมมาตุ่าาขเขาม้าคณะว่าเข้าบวชเข็มแข็งเนี่ยไม่มีสัจยะในจริงใจนี้ หล่มไปกับมั่นได้ง่ายๆคือกันคั่ฑาวาผู้เข้าจริงจังและจริงใจเอาเถอะสัจจะบา ร, รมีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตายเป็นตายเพียงเดือนเดียวข้าพเจ้าจะตายเล ย, เยจะมอบกายถวายชีวิตเอในความถูกต้องมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เดือนหนึ่งข้าพเจ้าจะบวชวันไหวเด็ดขาดจะพอทำความชัวเด็ดขาดในเดือนนี้ เพราะเดือนอื่นๆข้าพเจ้าเคยพูดเคยทำเคยคิดมาแล้วแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะคิดตามรักธรรมคำสั่งสอนจะทำรักษาภพได้ศีลตามรักธรราคาสอนข้าพเจ้าจะพูดตามรักธรราคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจเพียงเดือนเดียวไม่ได้หรอ อย่างอื่นเข้าพานมาเท่าไหรเอ่ห้าวหาสิบปีเองส่ปีนั่นก็สิบสองเดือนเออสิบสองเดือนมันเป็นเท่าไหร่คิดเป็นออกมาเดิมันปีเป็นกี่เดือนมันปีมันเป็นกี่ร้อยเดือนฮะนะบ้านนี่เข้าสิเอาเพียงเดือนเดียวเออในหลายร้อยเดือนบ่ได้เหรอถ้าเข้าบ่ได้แสดงเว่าชีวิตทั้งชีวิตของเข้าเกิดมาล่มเหลวเออ เอาความสั์จริงเอาความจริงจังและจริงใจในการในชีวิตของเข้าบ่อได้พระนั่นขอให้พวกเขา้าทุกทุกคนหนะ้าหนาทุกคนเขามาบวชให้เขานี่หลวงพ่อสอนแนวความคิดให้พวกเขา้าตังอกตังใจแล้วแนวจริงจังและจริงใจย่างชีวิตของหลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อบวชจะเป็นสมณะ เ, เ, เป็นเน่นต อ, อายุสิบเอ็ดสิบสองปีเป็นเป็นเน่ตพ่อจบ ป่อซีมากเลยคก็เขามาวัดอะไรสมัยนะั้นมีป่อซีบ้านนอกพ่อมากก็แม่งเป็นเน่หลงปูลาเป็นเน่หลงปูาปนนลปายุ8ปีแต่อายุ10เอเริ่ม12ปีพอเนาไปออกโรงเรียนสมัยนั้นพ่อจากนั่นก่อนเนี่ยพ่ออายุครบบวชเป็นพระพ่ออายุยี่สิบกับปีศูนย์8ปดปีศ8ย์หลวงพ่อก็เลยบวชไป นับมงรุบะเนี่ยตั้งแต่ปีศูนย์ปดพัสองพห้าร้อยห้าสิบสามเนี่ยเป็นเวลากี่ปีมันเขาสี่ิหกปีแล้วนะลูกหลานนะชีวิตของรักบวชของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระมาสี่สิบหปีแล้วก็ บ, บวก8เขาไปอีกเนีมันเป็นเท่าไหร่ห้าสิบกว่าปีอายุของหลวงพอ่อหกสิบหกปีเนีเป็นชีวิต นักบวชเนี่ยห้าสิบกว่าปีแต่หลวงพ่อเสียใจไหมที่หลวงพ่อได้บวชมากขนาดนั้นชีวิตทั้งชีวิตหลวงพ่อภาคภู่มใจยัางยิ่งเนืกองถึงเวลาใดหลวงพ่อภาคภู่ิใจเพราเกิดมาชาตินี้บริเฮทความสัวเสียหายบไรให้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมิแต่ทําคุณประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ชุ่มชนสังคมประเทศชาติหลวงพ่อจะทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นี่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน เป็นทุกข์กับหลวงพ่อเองหลวงพ่อจะบวชถ้ำสิงหนะักในใจหลวงพ่อมีเ ท, ท่านั้นเพราะนั่นขอให้ลูกหลานทุกคนนะแต่หลวงพอ่อก็ยังอยู่ได้ในศาสนาอันใ้พวกเขามาอยู่เพียงเดือนเดียวเนะี่ยไม่ได้หรอหลวงพ่อเนี่ชั่งชีวิตทั้งชีวิตหลวงพ่อยังอยู่ได้หลวงพอ่อฉันมือเดียวมาตลอดตั้งแต่เป็นเน่นอคนกินมือเดียวคงจะพร้อมจอย คงจะบบมีนเหนือมีหนังหลวงพ่อเผลอๆยังอ้วนกว่าบางคนอีกต่างหากเรื่องร่างกายแต่เรื่องจิตใจเนะ่ยหลวงพ่อก็าบอกเลมีความทุกข์เออสะท้านวั่นไหวกับโลกกระทํทาทั้งหลายทั้งปวงเอเป็นชีวิตของพระนี่พ่อแล้วในการเป็นอยยางนี่พ่อแล้วสรุปแล้วก็คือหลวงพอ่อรู้จักเศรษฐกิจพ่อเพียงเอ่อสำหรับเกิดมาชาตินี้ขนาดนี่พ่อแล้วอ่อก็เลยบ่ทุกข์กางไป เหตุผจากเป็นยังกับเป็นเอาเป็นไปอที่ได้มากะ จ, าจะทุกปัจจัยถ้ายะทำได้มากโดยเป็นธรรมก็เอาใช่ไปขั้นทําว่าบไรมกกบบมมิมากก็บ่ต้องใช่ย่ำมีมากก็ใช่มากย่ำมีหน่อยก็ใช่หน่อยย่ำ ม, มีมากก็ฉั้นมากย่ำ ม, มีน่อยก็ฉันหน่อยบ่มีย่ำบ่มีบ่ต้องฉันพอเข้าเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของผู้อื่นอ อ, อืเขาบ่ได้รับจ้างเขาบ่ได้ทําการทํางานรับจ้าง กินเงินดับเงินเดือนเข้าเป็นพระไปเป็นอยู่โดยชัท่ธธาชัท่าเขามีชัท่าอย่างไรก็หายจังสัน้นเขาหามาหลายเออหามาหลายเขาหายเจตุ ป, ปัจจยมาหลายเข้าก็ามองไปอีกเ อ, อจังมือว่านก็หลวงพ่อก็ไปมอบอาค้ารเลี้ยนบ้านกล้องอันนี้คือเป็นสะพานบุญเขามาบอกเออหลวงพ่อผมจะจกช่วยสัส่สสงอาคารเลี้ยนหลวงพ่อคยสั่งมาหลายหลังแล้วหลายแหงแล้ว ผมจะเอาสักครลางนึงเอาได้เอาหามองร่งไห้ปีที่แล้วนน่ะมีคมข้ามซอยหลางหนึ่งแล้วก็เอาเพื่อน้าดูนมาหาจระเข้ามลังหนึ่งรงรงร่งพยาบาลส่างโรงพยาบาลอลุงลูกหลานก็อยากจูงใจว่าราคาเท่าไหร่ลงพอในคมข้ามซอยนี่ยามล้านหารงเรียนนสองชั้นนะแต่โรงพยาบาลหน้าดูนสองล้านสองล้านสองอ่าเนี่ยสองล้านสอง แต่โรงเรียนบันกล้องเนี่ยทั้งโตะเก้าอี้พ้อมเป็นสามล้านหาสามล้านสามล้านหกแสนสองหมื่นเนี่ยอันนี้คือรงเรียนบันกล้องมอกหมัวว่านเนี่ยแต่ลงพอยังมิถัตตุปจัจจะเขามาถวายอีกลงพอยังคิดถึงพี่น้องประชาชนซัดท่า ย, ยาดย่อมหลกหลานของประเทศอีทั้ ง, งโรงพยาบาลศูนย์เขาอยากจะได้เครื่องมือแพทย์น่ลงพอก็ออเออลงพ่อจะรับช่วยเนี่ย หลวงพ่อก็อไปเส้นสัญญาเพราะว่ามีคณะแพทย์มาเนี่ยให้ผู้ใดเส้นสัญญาผู้ใดกรบอกกล้าเส้นเพราะมันเป็นเงื่อนไหลให้หลวงพ่อเส้นเออหลวงพ่อเส้นได้เนาะหลวงพอ่อจีเส้นเส้นสัญญาเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เครื่องผ้าตัดหัวใจล้านซีล้านซีแสนเครื่องทางหัวใจผ้าแล้วก็ต้องผ้าทางออกเลยง g a ออกไปทางออกนะอันนั้นมันซีแสนหา แล้วก็เครื่องช่วยหายใจหกแสนเครื่องช่วยหายใจสองตัวหกแสนแล้วก็ปอดหัวใจเทียมปอดหัวใจเทียมก็คือเวลาพาไปแล้วหัวใจมันช็อกมันหยุดเต้นก็ต้องได้ใช้เครื่องตัวนี้ช่วยหายใจแทนแท่นหัวใจเครื่องตัวนี้ถีาว่าเอาหัวใจออกมาเหตุทางนอกเครื่องตัวนี้จะทํางานอยู่ได้ได้อยู่สิบพกชั่วโมงอเครื่องปอดหัวใจเทียม หลวงพ่อก็มีความจําเป็นเพราะว่าบางที่ทาไปแล้วมันหัวใจยุดเต้นก็ะทาให้คนที่เขาไปโรงพยาบาลนะช็อกไปเลยก็เป็นเจ้าหญิงนิทราเป็นเจ้าชายนิทราไมีแต่หายใจอยืดเสื้อไม่มีความรู้สึกสมองมันตายหลวงพ่อเออนาจะเอาเครื่องตัวนี้มาอีกตัวนี้สามล้านหะสามล้านสามแสนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ได้เส้นสัญญากับบริษัทที่จะสร้างเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์อุดอรเนี่ยที่จะมาไปไหร์นี่แหละแต่เขาว่าไม่เกินเดือนมกราปีห้าสี่คนแต่คนนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสีคือยิบหาเขามาเลยเด้อวันที่ยี่สิบสามวันเนี่ยอวันที่ยี่สิบสามพฤติการหาสามอีกเอกี้เดือนข้างนาฬพฤติกาท่านว่ามกราเนี่ย เดือดกก้าเน่ยเครื่องมือเราเนี่ก็ม้าแล้วหลวงพ่อก็จะเนีหาเงินจ่ายเขาแล้วเอาไป เ, เงินกระถินเงินป้าปลาจะตุบหัวใจที่รัดท่ า, ายหายาดโนมไห้มาเนี่ยหลวงพ่อกขานี่ยนะคิดช่วยเหลือชุ่มชนสังคมเหมือนกันอันนี้ก็คือเครื่องมือซีตัวเนอดีตไปเครื่องผ้าหัวใจ เ, เครื่องทางหัวใจเครื่องช่วยหายใจปอดหัวใจเทียมร่วมแล้วเป็นเงินหาล้านเจ็ดแสนหาหมื่นบาท อันนี้หลวงพ่อก็เลยบริมองขับในการเป็นอยู่ถ้าจะตุ้ปัจจัยได้มากโดยเป็นถ้ำหลวงพอ่อจะต้องคิดเฉลือเผื่อแผ่เผื่อพีนองประชาชุนให้ลมเย็นเป็นสุกวัดดูได้พี่นองประช่ายชนคนชาติไทยก็ต้องอดอูได้เห็บรแมนจิตได้เงินมาแล้วก็หอบไปจะซื้อบริคิดดูแลพี่นองประชาชนมั่นกระบอเถือกวาดลงไปอันนี้ซื่อ มองไก่ม่องไก่ม่องสูงมองตำ่ำม่องรอบดา่านอย่างหลอกหลานขึ้นกันจะมาบวชในข้าวนี่ท่านได้มาปรึกษาเออได้หลวงพอรับเพราะถ้าเพื่อได้หลวงเนี่ยเป็นไรไปสงค อ, ง อ, งออย่างอื่นหลวงพอยังสงคอได้บวชขนาดนี้หลวงพอรับบม่มีปัญหาเพื่อปูชาพระคุณของในหลวงเนี่ยอันนี้แหละหลวงพอก็ได้มองม่ อ, มอบวชในมองมุ่งเดียว มองหลายๆด่านจำไฟพระสงฆ์กันวัดว่าศาสนานที่ใดมาสือเอา้าซอยเห็ดทางหน่าซอยเห็ดสาลาซอยเห็ดสะพานซอยสางเมน่นเผาซพเนี่ยลงพอได้มาโดยเป็นถ้ำก็หายไปขันยามมันบ่มีเดียบ่มีกันเศ้าไว้สก้อนนี่พ่อเห่ไหลร่พ่าบ้านบม่มีขันย่ามมันมีผู้นั้นมาถไวยผู้นี้มาถไว ย, ทวยเทาก็บต่องม่องนี่แหละคือปัใจจัยในใดมาโดยเป็นรถ้ำนี่แหละอันนี้ถ้าเป็นอยู่ด้วยศรัทธา ศัทธาคือความเชื่อเขาเขารบนับถือเดิมใส่เป็นอย่างเขาจึางศัทธาเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกัสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตถมาถสีลังพิโสทเย่ยัยงม่วนท่ายของศีลสีเลนะสุขติงยันติผู้จะผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะสุขติงยันติ ผู้มีความสุขใดเพราะสินสินคุ้มคล้องต่างคนต่างมีสินบอกคิดจะฆ่ากันบอกคิดจะขโมยกันบอกคิดจ ะ, ขดจะ เ, เขารบศิทธิภรรยาสามีของผู้อื่นบอกคิดขี่ตัวกันบอกกินเหล่าเม่าขาดติตขาดจิตแล้วทำร่ายผูอื่นนั่นเองเขาก็มีความสุขบ่เมน็นนี่แหละสีเลนะสุขขติยันติถ้าศินคุ้มคล้องแล้ว การโย่ด้วยกันมีความสุขได้คณะว่ามีศีสินผู้นี้จะคิดจะข่าวผู้นั้นข่าผูาน้นี้ต่างคนต่างจะขากันต่างคนก็ต่างพกมีดพกปืน พ, ก, พกสตางอาวุธใส่เสือกาะแล้วใส่เสือกอะอีกห่อนแล้วห่อนอีกนักแล้วนักอีกแบกเสือกอ้อลงไปแล้วก็ยั่งย่านเขายิ่งใส่หัวตัวอีกอีกปืนมนไปเข้าที่หาความสุขได้จังใด ห, หาเนครอบหัวอีกเนะน่ยถ้าว่าต่างๆคนต่างมีศินซะบ่ต้องมีสิ่งเหล่านั้น มีความสุขไหมเนี่นี่แหละสีเลนะสุขติงยันติเฮ้าบอกขโมยผู้อื่นพผู้อื่นบอขโมยเฮ้าข่มข้องสีเลนะสุขติงยันติผู้จะมีความสุขได้พอ่อศีลสีเลนะพ่อกระสัมปธาเนี่ยผู้จะมีพ่อขะรับสมบัติได้พอ่อศีลพกเป็นคนมีศีลแล้วอั น, นิี้สงของศีลอั น, นิี้สงของธรรมเอ็นยังมันกับลังไหลเของมา้าลมเย็นเป็นสุข พ่อตัวเองก็พูดเป็นรถ้ำถ้ำเป็นถ้อแนะนําเป็นถ้ำค้นทั้งร้ายก็เออเขาลบนับถือเหลื่อมใสพ่อพูดเห็ปดปอดอะไรตั้งสี่จากนั้นเพิ่งกันเนี่ยถวายไวยนะพุทธศาสนาเมื่อเข้าถวายมาเลยเข้าคิดอย่งางกันเขากับ ช, ช, ชุดชิดช่วยเหลือชุ่มชนสังคมอย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้ฟังนี่ยนะเนี่ยแหละสีเล่ณ์น่นนะพ่อกระสัมปทานสีเล่นนะ์ น, นั้นในพูติงยั่นติอผููที่จะไปสู่ในผ่าน คือภายในภาช น, นสูงสุดก็ต้องสิลศินต้องรักษากายว่าจ๋าให้เรียบร้อยใครนบว่าคนบ่มีสิน่ะจะไปนิพนพานบ่ได้เพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าอที่หลวงพ่อได้กล่าวเนี่ยเป็นบ่เกิดแห่งความสุขความเจริญเป็นบ่เกิดแห่งบ่สับสมบัติเพราะนั้นขอให้ลูกหลานเขามากข้าวเนี่ยเขามารักษาสินนะให้รักษาสินบริสุทธิ์เขามากข้าวเนี่ยจะรักษาศินสองรอยี่สิบเจ็ดเลย 27ขอบางครั้งเมื่อขาม้าก็ต้องหิวแรเป็นธรรมดานะ่ะและก็กดระเบียบของวัดเท่าที่พวกเ ข, าเขาาเ้าขม่ยอันดับแรงลงพ่อก็จะยัดให้ไปพัก เ, เป็นกลุ่มๆ ก, กันอพอพักยัดเป็นกลุ่มกันแล้วค่ะตอนเย็นะจะออกจะขามาเขามาร่วมกลุ่มกันอีกจากนั้นก็อาจารย์กู้บาทั้งหลายเป็นผู้สอนบ้าน สอนเอสาหัง ah อาจจะแบ่งเป็นพวกพวกกันเพราะจะได้รูว่าปุ๊ดอรเนี่ยได้ขนาดใดแต่ว่าการบวชเนี่ยมันจะต้องเลี่ยงตามลำดับอายุทีว่าหาสิบหาสิบเก้าหาสิบเก้าหาสิบหกหาสิบห้าเลี่ยงเป็นชุดหนึ่งสามองค์แล้วก็ไลลงมาไลลงมาที่ระสามะสามที 3, 3. ทบวชได้สลับกันเนี่พอไปล่านห้องเอสาหังเ ah นี่ยก็ต้อง ใหย่งฟึกนขัดมันเข่ากันมาเนี่ยเมื่อบวชเข้ามาแล้วผู้ได้อายุกแกววกว่าผู้นั้นเป็นอาวุโสย่างบิดาบาตรกอนนางกอนมางไปเพราะอาวุโสเด้เพิ่นถืออาวุโสคืออายุในการบวชเนี่ยเพราะฉะนั้นเพิ่นยังจัดให้เลี่ยงตามรับรับในการบวชอจากนั้นก็เมื่อฝึกนัดหนักพอสมควรแล้วต้องให้ได้เด้เออต้องให้ได้ บ่ไห้ได้ถูกตอกถูกต้องตามอักษรขันว่าบวชเข้ามาบวชทองเอสาหังบ่อใดเพิ่นว่าอักษรวีบัตบวชบ่อใด บ, ดบวชมากคือกันกับค้นปา ก, กึกนี่บวชเข้ามาแหลมบวชเป็นพระเพิ่นว่าเพราะเหตุหลายบบอแสดงความจำโน่งเองเข้าว่าบวแสดงความจำโน่งเองข้าพเจ้าขอบวชในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าจะปฏิบัติปฏิบัติชอบข้าพเจ้าจะเข้าลบ ข้าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เคารพครูบาอาจารย์ขอให้พระสงฆ์จงให้ข้าพเจ้าบวชดด้วยเทินลักษณะแปรจังสันค้ายๆกับว่าเข้าอ่อนน้อมทอมตนให้พระสงฆ์บวชฉะนั้นพระสงฆ์ก็ลงมติกันว่าเออคนผู้นี้เป็นอย่างไรสมควรจะให้บวชไหมเขาก็ถาม อ, อีกกุดทั้งไเจ้าเป็นโลกขีดโทษบอกรุกดถังบอกันโทโอกีลาโส เจ้าเป็นขี่กาเจ้าเป็นขี่เลื่อนบ่เจ้าเป็นบ้าหมูบ่เพิ่นจะถามพ่อแม่อนุญาตบ่เจ้าเป็นหนี่เป็นศินบ่เพิ่นจะถามเบางวัดอามะพันเตอามะพันเตว่าถูกบ่บ่ได้เป็นหนี้บ่บ่ได้เป็นศินเออเป็นไท่บ่ได้เป็นถาเอบ่มีการผูกพันกับผู้อื่นพ่อแม่อนุญาตแล้วเนี่ยพลาซ่าอนุญาตแล้วอันนี้ก็คือการบวชเนี่ยแคละ เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนหนะ้าที่ขึ้มาบวชทีเข้านี่ยให้จริงจังจริงใจอย่างที่วานนนะ่ะแล้วก็พร้อมกันก็ตอนเช่าพม่าณทักตีหานี่ลูกเลยเด้ตีหาก็กวาดเนี่ยลุกมาทําความสะอาดปัดกวาดบริเวณซาลุง่งซาล่าจัดที่นั่งของเจ้าของอะจัดที่นั่งเจ้าของก็เอาทองเอสาหางต่อไปพอเห่าที่บวชไหวเด้ไ่ต้องนะแต่าบางที่หลวงพ่ออาจจะให้ ไปทัศนะ ศ, าศาึกษาไปบินธบาตตามสายต่างๆแนี่มุ่งเสาเพื่อเข้าจะได้เลี่ยนรั่วบินธบาติเมื่อบวชเข้า่าแล้วเข้าสิเห็ุจังไดเวลาบินธบาตย า, างจะหางยางแบบไดในหมู่บ้านนะเขาก็จะได้เบิงพระคู่บาเพิ่นเพิ่นยางแบบไดเพิ่นรับบาดแบบไดอันนี้ว่าทัศนะศาึกษาจากนั้นเข้าเข้ามาท่านอาหารเผลจีจัดอาหารเป็นกะละมังกละมังเลี่ยงกัน เข้าฟึกนฮัตว่างเมื่อเข้าบวชเขาม้าแล้วเขาจะต้องฉันในบาทอ่าบาทนี้เขาลอ่องเท่ารองท่านในกระละมังเบื้งกอนอะเพื่อการฝึกนฮัตอ่จากนั้นเขาเมื่อเขามาบวชเรียบร้อยแล้วก็นจะไหนอยู่ยางพระและ้วบาทเนีอยปฏิบัติตนยางพระตามตามลักท่ามขําสอนอย่างที่หลวงพอ่อได้บอกอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาฮะนี่แหละที่ีป็เบิ้งความคิดจของลูกป่าน มั่นเป็นจังใดเออโมเมนต์ธรร ม, มดาได้ให้ระวังความคิดตัวนี้เพราะนั้นขอให้หนากทางหลายลูกหลานทุกค้หนามาบวชเข้านี่พอแม่พี่น้องปู่ญาตายายเขาคงจะดีอกตีใจกับพวกเข้าที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาบวชเพื่อเป็นการถวายในหลวงอีกต่างหากเอหาใดที่ไห น, นไปหลวงพ่อก็บ่าให้ขาดตกบกพ่องไปก็ให้พระเตรียมพร้อม จัดนัตตะบริขารให้แก่ลูกหลานทั้งหลายพร้อมแล้ววันไปที่จะบวชได้ในวันที่สองคงไม่มีปัญหาการกาวปฐมนิเทศให้แก่ลูกแก่หลานไดยิ่งใดฟังเป็นแนวความคิดก็เห็นว่าสมควรกับการเมลาข อ, อยุติเพียงเท่านี้นะ้า